มันก็ต้องศึกษาให้รู้แห่งทุกแก่ตัวเองแล้วก็เพราะว่ารักตนในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอยากให้ตนมีความสุขความหมายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใครๆก็ดีเพราะอะไรนะ เขเกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์แทรกเข้ามากับความทุกขอืมวันนี้ความประสงค์ของคนเรานี่อยากมีความสุขล้วนๆไม่อยากให้มีความทุกข์แทรกแทงเข้ามาอันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นั่นะทุกคน่ะ ให้พิจารณาดูสิว่าตนเองต้องการอย่างนี้ไหมเมืออม่อต้องการอย่างนี้แล้วแต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นสุขได้ดังนั้นเราจึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ศาสตร า, านานี้เราเชื่อมั่นว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้จริงๆใครๆก็ต้องมีความเชื่ออย่างนี้ไม่ว่าผู้เข้ามาบวชก็ดีหรือผู้ไม่บวชก็ตามที่มาปฏิบัติวัดวาอารามเอาใจเอื้อเฟื้อต่อวัดวาศาสานา แล้วก็พยายามละความชั่วออกจากกายวาจาใจมู่นี่มันก็ล้วนแต่มุก ค, ความสุขเป็นผลทั้งนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความสุขในโลกนี่นะ่ะมันมีสิ่งขัดขวางมันไม่เป็นสุขอยู่โดยลำพังได้คือมันมีทุกข์นั่นแหละ เป็นเครื่องขัดขวางทำให้ความสุขยั่งยืนานานไปไม่ได้ดังนั้นน่ะพระพุเทธเจ้าพอดีพระสาวกทั้งหลายท่านได้ฟังํำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโน่นมามพระพุเทธเจ้าทุพกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นั่ น, นท่านผู้ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มุ่งต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่มุ่งจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีสิ้นสุดท่านไม่ได้มุ่งอย่างนั้นบรรดานักปราชถนทั้งหลายท่านที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีท่านก็มองเห็นได้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า ความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดพราดจากของรักของชอบใจมันนี่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจความที่ได้คบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนี่มันก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอีกเหมือนกันนะข้อนี้ก็ดี บางทีมันก็ไปเจอคนที่นิสัยไม่ดีเข้าบางเอก่นมีเหตุผลที่จะต้องได้อยู่ร่วมกัน อ, อย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ับแค้นใจจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละความทุกข์ในโลกนะเทพากันพิจะนาให้มันเห็นแล้วสรุปลงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวัง ก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นมันเป็นความต้องการรวบยอดเลยแบบนี้นะออคำว่าปรารถนาจริงได้ไม่ได้สมหวังนี่มันรวบยอดไปเลยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ความต้องการของตนอย่างนี้นะแต่และวางอย่างมันก็ได้สมหวัง บางอย่างก็ไม่ได้สมหวัง <c oughs> การดำรงชีวิตยอยู่ในโลกนี้นะแต่ว่าความผิดหวังจริงๆเนะี่ยก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะอันนี้นั่นผิดหวังจริงๆเพราะทุกคนเกิดมาแล้วเขไม่อยากแก่ไม่อยากชราชรุดทุดโทมไอ้ร่างกายเนี่ยก็ไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียน แล้วก็ไม่อยากตายสุดท้ายนะแต่แล้วมันผิดหวังไปหมดเรื่องหมดนี้ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถ้าผูใ้ใดมาถือมั่นอยู่อย่างว่านั่นนะคือว่าเกิดมาแล้วไม่ไมอยากให้แกเจ็บตายไปอย่างนี้นะมันเป็นความถือมั่นในขันห้านี่เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์ใจมันเป็นอย่างนั้น มันความทุกเหล่านี้มันก็มาจากเหตุถ้ามันไม่มีเหตุทุกนี้มันก็ไม่มีความเกิดนี่แหละมันเป็นเหตุอืถ้ามันไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายอืมันก็ไม่มีการสังคมสมาคมกับคนดีบางคนชั่วบ้างโมนี่นะมันก็ไม่ได้ พบไม่ได้พบความเตอมความเจริญอะไรเมื่อไม่มีชาติความเกิดแค่อย่างเดียวเท่านี้นะมาที่ทำให้มันเกิดมามันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดขึ้นเกิดมาเป็นโูกเป็นนามอันนี้คนทั้งหลายนันไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรอก มีแต่พระพุทธเจ้าพราะองค์เดียวส่งรู้แจ้งก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้ามันก็ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปเรื่องความเกิดมาเป็นคนนี่นะอพวกพรามหมณ์สมัยนั้นเขาเถือว่าเขาเกิดมาจากปากเท้ามหาพรหมพวกกษัตริย์พว ก, ก, พวกนี้เกิดจาก หน้าอกเท้ามาหาพรหมบั้งเกิดจากเท้าของเท้ามาหาพรหมบั้งกบกรรมก ร, รมคนงา น, น, นต่างๆันนี้ <c oughs> เขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอยู่นั่นแหละบางคนก็เห็นว่าสิ่งศักดิสิโดนบั้นด้าน <c oughs> อย่างนี้แหละมันจึงได้มีการบวงสรวงกัน ืล้วความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผมมาเห็นแตกต่างกันไปอีกบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วสูนบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วเกิดอืแต่ว่าการเกิดนั่นน่ะมันอาศัยสิ่งสักติดลนบันดาลให้เกิดก็มีบางไอ้พวกไปเห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทําน้าให้เกิดอีก ความเห็นแบบนี้นั่นได้แก่ความเห็นในพระพุทธศาสนานี่เห็นว่าคนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยก็าอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนติดตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอันนี้แหละความเห็นของคนในโลกเนี่ย มันไม่มันไม่เที่ยงแค่แน่นอนอะไรเลยเป็นอย่างนั้นมันขัดแย้งกันอยู่ยงั้นแต่แล้วสำหรับเมื่อพระพุทธ เ, เจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็องค์ก็ทรงบําเพ็ญไปตอนปฐมมยยามก็ทรงได้ตััสรู้ปุกเพนีวาสานุสติยานละลึกชาติหนหลังได้ น่าลึกชาติหุนหลังของพระ อ, องค์เองเนั่นเพระ อ, องค์เกิดชาติก่อนนันเกิดเป็นอะไรมีอายุมีวันนะ่ะมีสุขภพละอย่างไรบ้างนี่ก็ทรงรู้ไปรู้ไปหลายชาติคืนหลังไปน่นตอนเที่ยงคืนก็ตรัสรู้รู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลาย ว่าเป็นไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทําเอาไว้แต่ในชาติก่อนหนหลังนนติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมอะไรไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมาโดนบันดาลให้คนเกิดมาไม่มีเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ผ่านในพ ย, ยายของพระ อ, องค์เรื่องนั้นพ ย, ยายามของพระ อ, องค์นั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็น กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นนี่มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทำกรรมอันใดดีก็ดีชั่วข้อดีก็จกได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์ผู้มีปัญญามอพิสูจน์แล้วก็ย่อม ไม่มีทางสงสัยเลยย่อมรับรองพระโอวาทข้อนี้เต็มร้อยเปอเซนเลย <c oughs> ข้อนี้ก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะมารู้เอาง่ายๆอย่างนี้มันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนู่นแหละไอ้ที่ท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่ อย่างแน่วแน่เลยไม่ไม่ได้เชื่อสิ่งใดมดระโสดาบันไม่ได้เชื่อสิ่งศัก ด, ดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกอันนี้อย่างที่โลกเขาเรียกร้องหาอยู่นันนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้ถึงจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรแต่มันก็เป็นหนทางให้ได้สำเร็จมรรคผลได้แน่นอนไม่ผิดทางนะ ม, มันจะผิดยังไงเล่า เมื่อเรามีความเห็นตามคําสอนพระพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วก็พยายามละกคำมันชั่วใช่ไหสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามันชั่วมันเป็นโทษสอพยายามเว้นไม่ไม่ล่วงเกินนะทรงสแสดงว่าทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลจะอํานวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไป ตราบเท้าถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลความดีนี้เองแ่ะจะส่งให้ถึงพระนิพพานบาปนั้นมันไม่จะส่งลงนรกมไม่ได้ส่งไปสวรรค์นิพพานอะไรนี่เรามาปรับปรุงความคิดความเห็นในใจของแต่ละคนอย่างนี้แหละให้มันเจมแจ้งด้วยตนเอง เห็นอย่างนี้คือว่าตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระอาราหันต์ทั้งหลายก็ดีก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มสร้างบา ร, รมีมามดังนั้นท่านจึงเพียรละความทั่วออกไปเรื่อยๆเพียรทำความดีเรื่อยไปบุญกุศลบา ร, รมีของท่านก็เ ก, กล้าขึ้นไปเรื่อยๆโดยลำดับมา เมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้ววันนี่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในขณะที่ฟังไปเลยก็มีแต่บางท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติไปไม่นานก็ได้บรรลุไปเลยแต่บางจำพวกก็ต้องได้ไปฝึกจนอบรมตนไป พอสมควรดีแล้วแหละแต่เพราะอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ามากก็ต้องได้ฝึกตนออกเรี่ยวแรงพอสมควรกลัวอินทรีย์มันจะแก่กล้าเหมือนอย่างในเรื่องของนายโคบาลจากทางพระพุทธเจ้านั่เมื่อไปตั้งฟาร์มเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งแล้วก็มา ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่ที่ของตนพระองค์พิจารณาเห็นว่าอินทรีบา ร, รมีเขายัางไม่แกกล้าก็ยังไม่เสด็จไปก่อนวันนี้เขาผู้มีบา ร, รมีติดตัวมาเขาก็พยายามบำเพ็ญอินทรีไป